สังฆาทิเศษสิกขาบทที่สองภิกษุณีบวชให้สตรีผู้เป็นโจรต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. จบยั ต, ติต้องอาบัตทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตถุลจใจ 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังฆาทิเศษ